ไม่ใช่พิจารณาแบบค่อยๆไล่เรียกชื่อไม่ใช่แต่มีความเข้าใจว่าชรามรณะมันคืออะไรชรามรณะมันคือมาจากชาติและชาติมาจากอะไรแล้วสติสัมปชัญญะท่านมั่นคงมากสมาธทิท่านเยี่ยมมากเพราะฉะนั้นการพิจารณาปัจจัยพร้อมทั้งอนิจจาลักษณะถือเป็นเรื่องธรรมดาของท่านนะท่านรู้ว่า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 เอาเมนก็จริงแหละถามว่าลูกเม็นนี่มันใครอ่ะมีใครอยู่ในลูกเม็นลูกเหม็นเนี่ยมันมีใครเป็นเจ้าของอยู่ในลูกเหม็นอีกทีหนึ่งมีอะไรไปสิงอยู่ในลูกเม็นลูกเม็นเนี่ยมันของใครเป็นต้นมันก็คืออะไรมันก็คือลูกเม็นแค่นั้นแหละชั้นใดก็ดีกองทุกทั้งหลายมันก็เป็นในลักษณะนั้นเนี่ยนะบอกลูกเม็นนี่ยังพอเอาไปใช้งานบางแห่งได้ใช่แต่กายของเราเนี่ยไปตั้งไว้ที่ไหนได้ไหมไปดับกลิ่นชพื่อดับกลิ่นอย่างอื่นได้บ้างไหมช่วยไปเปลี่ยนกลิ่นอย่างอื่นได้ไหมช่วยให้อาหารไม่อร่อยอ่ะที่ เอามาเขิดไปฉันงานศพอุย้ยกลิ่นมันโชยมาเนี่ยนะถ้าตามชนนบดเนี่ยกลิ่นมันโชยมาเนี่ยอยเอ้ยอาหารมื้อ น, นั้นนี่ไม่อร่อยเลยกล้ามกลืนฟืนใจฉันอย่างนั้นเหรนี่ยนะอโอ้โหอันนะั้ถ้าลูกเหม็นลูกอะไรคนเข้าห้องน้ําก็ยังสู้เข้าไปใช่ไมไอ้พไอ้นี่ไม่ไหวเลยนะ มันก็เป็นอย่างนี้มันจะจะเรียกว่าอะไรมันเรียกว่ากองทุกแท้ๆเลยนะกองทุกรุนๆที่มันไหลเวียนเวียนไปในกระแสะแห่งสังสารทุกข์ท่านรู้เลยมันมีแต่ทุกนีท่านมีปัญญามีวิชาเอ่อมีจักษุที่เห็นว่าเ อ, อ้มันเป็นอย่างนี้จริงๆคือกาคําว่าท่านใช้คําว่าจักษุเนี่ยทั้งเขาคำว่าเห็นเนี่ยนะจักษุมีความหมายว่าเห็นท่านเห็นอย่างเนี้ยเป็นปกติชีวิตของท่านท่านเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆ ของเราได้ยินเออพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนี้แต่เราไม่ได้เห็นอย่างนี้เราไม่ได้เห็นอย่างที่พระพุทธเจ้าพาให้เราเห็นเห็นตอนฟังเลิกฟังเราก็เลิกเห็นอย่างเง้ยนะหมายความว่าพอเขาโน้มเอียงโน้มใจปั๊บเออใช่ใช่ใช่เออใช่ใช่พอเลิ ก, พ อ, ลกพอเลิกคิดปั๊บเออปกติคืนสู่ภาวะปกติง่ายมากบอกว่าพวกอายุร้อยแบบเนอาเรียกว่าอายุต่ากว่าร้อยปีในรอยไม้ที่กรีดไปในน้ําไม่ต้องห่วงคืนสู่ภาวะปกติวัดเดียวเลยนะ พูดอริยศาสตร์พูดปฏิจจเข้าใจเลยไหมบอกเข้าใจโอ้เสารซึ่งดีมากพอเลิกพูดปั๊บ ป, ป, ปกติคืนสู่ภาวะปกติได้เหมือนเดิมหมดเออมันขนาดนั้นเลยนะพอพูดอีกเออใช่ใช่ใ ช, ชเลิกพูดอีกก็ปกติอีกมันอย่างเงี้ยมันอินรีย์มันอ่อนนะนะสัตตินรียก็อ่อนลิลินรียก็อ่อนสตินรียก็อ่อนปัญญรียก็อ่อนสมาธินรียก็อ่อนมันอ่อนไปทุกอินทรีย์เว้นแต่จากขุนซีเนี่ยนะจากขุนซีนี่ไม่อ่อนนะ โซตินซีก็ไม่อ่อนคานินซีก็ไม่อ่อนชิวหินซีก็ไม่อ่อนกายินซีนี่ก็โอ้ยหยาบกระด้างไปหมดแล้วไม่อ่อนละเนี่ยนะมันก็ชรามรณะก็มาเยือนแต่ว่าสัตวคุณธรรมภายในนี่มันอ่อนเมื่อมันอ่อนอย่างนี้มันไม่ได้เห็นเป็นปกติเมื่อสองทีหนึ่งก็เห็นทีหนึ่งเมื่อสองทีหนึ่งก็เห็นทีหนึ่งเรียกว่าเหมือนจุดประกายนะฟังธรรมก็เหมือนกับว่าให้มีประกายวับหนึ่งก็พอเห็นเออลางๆอ่ใช่ใช่เสร็จแล้วก็มืดปกติเนี่ยนะนั้นเราไม่ได้มีดวงตาปัญญาที่จะเห็นเป็น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 เป็นอย่างดีก็เลยมองไม่เห็นแต่พระพุทธเจ้าท่านเห็น น, นะผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เนี่ยมองเห็นพระองค์เห็นเลยว่าทุกขเนี่ยมันคืออย่างนี้นั้นท่านเห็นอะไรเนี่ยท่านจะไม่เผลอคือคือการที่ท่านท่านไข้ครควรได้อย่างนี้นะหลังจากนั้นท่านไม่มีลืมอีกเลยท่านเข้าใจอย่างนี้โดยไม่มีคําว่าเผลอแต่หมู่สัตว์ทั้งหลายที่ฟังธรรมเนี่ยนะแสดงว่าสติหลงลืมก็คือเผลอตลอด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 เคยใครเคยดูหยาด น, ะน้ำใสๆที่ข้างล่างมีตัวปลามีห อ, อยมีก้อนกรวดเนี่ยนะมองเห็นความหลากหลายเหล่านั้นได้ฉันใดผู้ที่เจริญวิปัสนาพิจารณาเนี่ยนะชรามเพราะเห็นปั๊บเนี่ยนะ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 กรรมที่ทําให้เกิดตาก็คือเพราะอะไรเพราะรูปปตัตนหาตัณหามาจากไหนก็มาจากเวทนาเวทนามาจากพัรษาสลายตนะก็สาวเชื่อมโยงในความเป็นเหตุเป็นผลท่านก็เชื่อมโยงเห็นเหตุเห็นผลเห็นกรรมเห็นผลของกรรมเห็ น, หนสังสารวัฏเห็นปฏิจจสมุปบาทในทวารตาเห็นปฏิจจสมุปบาทในทวารหูเห็นปฏิจจสมุปบาทในทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายแล้วก็ทวารใจไหลสืบเนื่องไปตามอะไร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 ท่านรู้เลยว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆคำว่ารู้ในที่นี้คนรู้กับคนไม่รู้ก็ต่างกันนะอันนี้รู้เป็นอัธยาสัยไปแล้วแล้วก็ปัญญารู้ทั่วรู้โดยประการต่างๆจำแนกแยกแยะได้หมดแล้วก็วิชารู้อย่างชัดรู้แบบแบบอะไรแบบสว่างะนะอย่างที่โยมก็ถามว่ารู้แบบเห็นตอนกลางวันใช่ไหมบอกก่ใช่นะแต่ไม่ใช่เห็นด้วยตาเนื้อนะแต่เห็นด้วย